สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยหกสิบสองตอนลูกนี้หายหูเพราะเจ้นาพระเจ้ากลับมาอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบแปดนะครับข้อที่ยี่สิบสามถึงข้อที่สามสิบห้ามัทธิวบทที่สิบแปดข้อที่ยี่บสามถึงข้อสาิบห้าตรวจฟังโพชนะของพระเจ้าเหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรยียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะทิป บ, บัญชีกับทาา เมื่อตั้งต้นทําการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้หนึ่งหมืนตะลันมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่ามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ทาลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผักไว้ก่อนแล้วก็เจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิน้นเจ้าองค์นั้นมีพระไถ่เมตตา โกรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่าทาผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนารีอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาดคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไปก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนาทาลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้น ไปพวกเพื่อนทาาเมื่อเห็นเหตุการณ์ทัานเช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนะจึงนําเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงทรงเรียกทานนั้นมาสั่งว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนท่าด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองนิใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นกลิ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านทำแต่ท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างกวางพี่น้องครับสิ่งที่เป็นบริบทก็คือเหตุการณ์ที่เปโตรมาถามพระเยซูนะครับในข้อที่21เปโตรมาถามทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพรงกระทำผิดต่อข้าพรงเรื่อยไปข้าพรงควรจะยกความผิดของเขาสักอีกครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือเบเยซูตัดตอบว่าเรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบพี่น้องครับปกติแล้วคนยิวตามกฎบัญญัติธรรมเนียมของเขาเขาให้อภัยคนอื่นสามครั้งนะครับ กฎหมายของคนยิวระบุให้บุคคลคนหนึ่งอภัยแก่คนอื่นเพียงสามาาร ค, ครั้งก็เพียงพอแล้วเปโตก็เลยเพิ่มไปอีกสี่ครั้งใจเป็นเจ็ดครับเปโตถามพระเยซูว่าการให้อภัยคนอื่นเจ็ดครั้งก็เพียงพอแล้วใช่ไหมพี่น้องครับความรักความเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากมายนะครับและความรักที่มีต่อเราก็ยิ่งใหญ่มากมายเช่นเดียวกันทําให้เราได้รับการอภัยอย่างไม่มีขอบเขตจํากัดและนี่คือสิ่งที่พระเจ้า ชงปรารถนาให้เราทั้งหลายเป็นอย่างเดียวกันคำอุปมานี้เริ่มต้นเกิดขึ้นที่เมืองคาเปนาอูมนะครับซึ่งเป็นบ้านของเปโตรพระเยซูและพระทศวกรษของพระองค์ได้อยู่ที่นั่นตามที่ได้กล่าวไว้เราจะเห็นในมัทธิวบทที่เก้าข้อสามสิบสานะครับบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่พระเยซูได้พักอาศัยอยู่เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูไม่มีบ้านของตัวเองครับ ไปอยู่ที่ไหนก็ไปอาศัยชาวบ้านเขาอยู่ชาวบ้านนี้หมายถึงบ้านของพวกสาวกบ้างนะครับของอ่าพี่น้องนะครับบ้างอย่างนี้เป็นต้นพวกอัครสาวกหรือพวกสาวกไดโต้แย้งกันครับว่าในหมู่พวกเขานั้นใครนะครับจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดใครจะเป็นใหญ่ที่สุดพวกเขาถามเปียซูในมัทธิวบทที่8นะครับว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เปยซูตอบว่าไงครับเปียซูตอบว่า คนที่จะดื่มจอกเราหมายความว่าจะรับทุกทรมานแบบเรานะครับจะทนได้หรือเปล่าท่าั้นหลายทนได้หรือเปล่าเพียชูถามสาวกกลับไปนะครับเพียชูก็เลยเล่าอุปมาเพื่อตอบคำถามเปโตในตอนนี้นะครับว่าถ้าว่ามีคนทำผิดต่อห้าพระองค์ถ้าพระองค์จะต้องยกโทษให้เขากี่ครั้งเพียชูตอบเท่าไหร่ครับพี่น้องครับเจ็ดสิบคูณนจ็สิบครั้ง แล้วพิยจูก็เล่าอุปมากวามนี้ครับว่าเป็นลูกหนี้อารุโหรือเรียกในนึงว่าท่าที่ไร้ความเมตตาครับในพระพีข้อยี่สามกล่าวว่าเจ้าองค์หนึ่งชงประสงค์จะิดบัญชีกับทาวนับเป็นที่ยอมรับกันได้ในการที่ข่าราการากระดับสูงจะให้ยืมเงินนะจากท้องพระทังนะให้กู้เงินจากท้องพระลังและ ท่าเหล่าเนี่ยนะครับก็ไปยืมเงินครับบ้างกว่ายืมเล็กยืมน้อยบ้างกว่ายืมเยอะแต่ท่าคว น, นี้ยืมถึงหนึ่งหมืนตารางด้วยกันพี่น้องครับผมลองคํานวณคร่าวๆนะครับว่าหนึ่งหมืนตารางเนี่ยมีอ่ามูลค่าขนาดไหนในสมัยหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งซึ่งเป็นปีที่พรามุทีฉบับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งพิมเราก็ให้อ่าทำจำกัดความหรือเอ่าให้ให้เราคํานวณได้นะครับว่าหนึ่งตารางมีค่าเท่ากับสองหมืนบาท นะครับสองมืนบาทในสมัยหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งมาเกือบห้าสิบปีแล้วนะครับสี่สิบกว่าปีนะครับก็เอาเป็นว่าหนึ่งตารางก็สักประมาณห้าหมืนบาทกันสั่งครับในสมัยนี้นะถ้ 5, 1, ะาหนึ่งหมืนตารางก็เติมเล็กไปอีกเล็กศูนย์ไปอีกสี่ตัวครับเท่ากับห้าร้อยล้านบาทแต่พี่น้องครับในเปรียบเทียบประเห็นขนาดของนี่ได้นะครับถ้าเราพิจารณาจากความจริงว่า พนองหมครับว่าในศตวรรแรกของปาเลสไตน์ทั้งประเทศนะทั้งประเทศป า, ลาเลสไตน์จ่ายภาษีให้รัฐบาลโรมนะครับไปเป็นจํานวนเงินแปดร้อยตาราในหนึ่งปีครับทั้งปีนะครับจ่ายภาษีให้รัฐบาลโรมไปแปดร้อยตารางแต่คาดคนนี้เป็นนี่ถึงหนึ่งหมืนตารางจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเงินของเขาเหรอกครับเขาคงจะ ใช้สิทนะครับการที่จะเป็นทาสหรือว่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเงินในระดับสูงนะเปิดเปิดท้องคลังยืมเงินนะครับให้ยืมเงินออกไปเป็นผู้ที่ดูแลเงินนะครับของรัฐบาลนี่นะครับอันนี้เป็นคือความเป็นไปได้เป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาการว่าเอ๊ะทำไมทาสคนนี้หรือว่าลูกหนี้ของนายนะครับอาริโฮขนาดนี้ นะครับหรือไรความเมตตาได้ถึงขนาด น, นี้เขาไว้ความเมตตาได้ยังไงครับลูกหนี้นะครับคนนี้หรือทานคนนี้ในข้อยี่หกบอกว่ากราบลงมาวิงวอนบอกว่าท่านใดท่านขอโปรดผับไว้ก่อนแล้วะพระเจ้าจะใช้หนี้ทั้งชิ้นปรากฏว่าเจ้าองค์นั้นมีความเมตตาครับก็ยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่เจ้าหนี้หารุขอดผู้นี้หรือท่านผู้หารุขอดผู้นี้ ออกไปพบเพื่อนที่เป็นทาสด้วยกันเป็นหนี้อยู่แค่หนึ่งร้อยเดนาริอันนะครับวายเนาริอันค่าเทียบกับในสมัยนี้ก็คือค่าแรงหนึ่งร้อยวันนะครับค่าแรงหนึ่งร้อยวันถ้าวันละสามร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยวันก็แค่สามหมืนบาทเท่านั้นเองเปรียบเทียบกับห้าร้อยล้านบาทอย่างนี้นะครับพี่น้องครับแสดงว่าทาสคนนี้เป็นไงครับคําตอบก็คือว่าทาคสคนนี้นะครับ เป็นคนที่เลวรลายมากในข้อสันดิสองนี่ครับท่านจิงชงเรียกทา่านนั้นมาสั่งว่าให้ฆ่าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนชาตด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมิใช่หรือพี่น้องครับที่นี่นะครับพูดชัดเจนครับว่านายนะครับโปรดยกหนี้ให้หมดเลยพูดไงว่านายไม่เอาผิดเลยนะครับแม่แตน้อย นายไม่เอาหนี้เลยไม่เด็น้อยไม่ต้องเสียลูกเสียเมียเสียบ้านเรือนนะครับแต่แต่ทาสคนนี้หรือไอ้เจ้าหนี้ฮาริโหวลูกหนี้ฮาริโหตัวนี้ก็ไปเรียกร้องเอาจากเพื่อนเขาที่ยากจนนะครับเพื่อนเขาที่ยากจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าองค์นั้นก็เกลี้วครับนายก็กลิ้วครับก็เลยสั่งให้ มอบผู้ น, นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้นี่หมดพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมโอมาของพระเยซูที่เกี่ยวข้องกับการยกนี่ในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าได้ทรงยกโทษบาป ต, ต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดโดยที่พระเจ้าไม่ถือโทษถือโกรธเราเองก็ควรจะต้องยกนี่ หรือยกโทษให้บัคคนอื่นโดยไม่ถือโทษหรือโกรธในข้อสัมานะครับสั่งว่าเองควรจะเมตตาเพื่อนทา ด, ด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมิใช่หรือนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นคำสอนที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับและสีเรียบพี่น้องสามไมครับว่าในที่สุดแล้วทาาคนนี้ถูกจังุก จำคุกจนกว่าจะใช้หนี้หนึ่งหมืนตารางหมดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีหวังที่จะใช้หนี้หมดนะก็ทาให้คิดต่อไปได้ว่าในสมัยนั้นนะลูกหนี้จะถูกทรมานครับจากเจ้าหน้าที่นะครับและก็เมื่อเจ้าหน้าที่ทรมานนักโทษเชื่อกันว่าในที่สุดลูกหนี้จะบอกแหล่งที่ซ่อนทรัพย์สมบัติของเขาซึ่งสามารถใช้ในการจ่ายหนี้ได้แสดงว่าเจ้าคนคนนี้ เป็นคนที่เลวหลายคาด้ทั่วจริงๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะคอรล็อปชั่นครับเอาเงินนะครับแล้วทําเสมือนติดหนี้แต่ไปทําอย่างอื่นไปลงทุนหรือไปฟอกอะไรต่างๆซึ่งในสมัยนี้เราเข้าใจดีครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่าการฟอเงินเป็นยังไงเราไม่เข้าใจว่าการเอา เ, อา เ, อาเอาเงินของคนอื่นมาใช้ลงทุนอย่างอื่นนะครับแล้วก็ ขาดทุนหรือแจ้งเป็นยังไงนะครับในสมัยนี้เราเข้าใจกันดีพี่น้องครับสมัยนั้นเชื่อว่าในที่สุดนั้นลูกหนี้จะบอกแหล่งที่ซ่อนัพสมบัติเพราะเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลจริงๆครับซึ่งสามารถใช้ใจ่ายหนี้จนหมดพระเยซู ส, สรุปของอุมาณ้ตรงตัดกับสาวกของพรงว่าพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทคนอย่างนั้นหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้กัพี่น้องของท่าน ด้วยใจกว้างกว้างครับทีคือบอกว่าด้วยใจกว้างขวางพียรสุดตัดอย่างนั้นนะครับเพียรสุดหมายความว่าไงครับเพียรสุดหมายว่าในเมื่อพระองค์นั้นทรงชิ้นพระชนบนไม้แหงเข็นก็เพื่อบาปของโลกนะครับบุตรของพระเจ้าทั้งหลายเราได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดที่มีอยู่ <c oughs> วันแล้ววันเล่า บ, บาปใหญ่บาปน้อยบาปเล็กนะครับบาปที่ชอนอยู่ทุกอย่าง เราสามารถทูลข อ, าลอาการอภัยโทษจากพระบิดาของเราสารภาพบาปของเราได้พระธําเยเรมีบทที่ 31-34 นะครับผมจะใช้เป็นข้อความที่สรุปในเช้าวันนี้บทกลางพระชนะของพระเจา้านะครับเยเรมีบทที่ 31-34 พระเจ้าสรัสว่าเราจะให้อภัยบาปทั่วของเขาและจะไม่จดจําบาปของเขาอีกต่อไปขออ่าีกครั้งครับเราจะให้อภัยบาปทั่วของเขาและจะไม่จดจํา บาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเราจะต้องแสดงการอภัยโทษอย่างเดียวกันนี้นะครับไม่เพียงแต่พระเจ้าจะทรงอภัยโทษบาปของเราแต่ยังทรงลืมบาปของเราด้วยพี่น้องครับเจ็ดครั้งไม่พอครับเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งนั่นคือยกโทษให้ไม่มีที่สิ้นสุดขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับขอพระองค์ทรงเสริมกําลังเราในการที่เราจะเป็นคนที่ยกโทษให้กับคนอื่นเหมือนอยงที่เราได้รับการยกโทษจากพระบิดาเจ้าของเรา อาวน